วันนี้อาจารย์แอนก็จะได้นําเอาคําสอนหรือว่าความเชื่อในอดีตเมื่อครั้งโบราณที่คนอินเดียเขาได้ถ่ายทอดสั่งสอนสืบสืบต่อกันมาเนี่ยนะครับมีอยู่ในหลายเรื่องทีเดียวอาจารย์แอนก็จะได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์บอกว่าเรื่องของตำนานปรัมปรานิยายโบราณ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยเนี่ยของชอบแหละเพราะว่าพื้นเดิมแล้วอาจารย์แอนก็คือมาดิตเอกสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <Okay. S 1> แล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ท่านศาสตราจารย์ด็ อ, อร์ศักดิ์ศรียัมนัท ด, ดาท่านอาจารย์ของเรานะครับท่านได้แปลแล้วก็ได้ฝากผล ง, งานเอาไว้เนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับ <Okay. S 1> มีเรื่องเนื้อาจารย์แอนบอกวันนี้น่าสนใจค่ะ okay. ก็ต้องอขอกราบมานางศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรียั่มนัท ด, ดานะคะซึ่ง <Okay. S 2> เป็น อาจารย์ของแอนในสมัยที่เรียนคณะอักษรศาสตร์นะคะในตอนที่อยู่ปีหนึ่งและปี2องคือปีพศ .2514 ครับแล้วก็พศ .2515 ได้เรียนภาษาบาลีกับอาจารย์ดรศักดิ์ศรีแย้มนาค่ะนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ติดตามผลงานของท่านมาโดยตลอดอันนี้ก็ขอนำนะคะประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงวรรณกรรมไทยนะคะซึ่ง คือศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศิริยนะน่ะอาจารย์เนี่ยได้แปลนะคะเป็นอนิยายสันสกฤตนะคะวิกรมาจริตรหรือสิงหาสนาทวาตรีงสติกานะคะก็จะขออนุญาตนำเล่มนี้มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับนักฟังนะคะคให้เห็นอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งเรื่องวิกรมาจริตเนี่ยเป็นงานรวบรวมนิทานสุตีิระราชาผู้ทรงคุณธรรมหรือพระเจ้าวิกรมอาิตย์ แห่งกรุงอุเชนีอุเชนีอ่าอุเชนีคอุเชยีนีฮะนะคะเป็นภาษาสันสกฤตครับถ้าเป็นภาษาบาลีก็คืออุเชนีนะคะคือภาษาสันสกฤตเนี่ยจะแตกต่างกับบาลีตรงที่ว okay ่าจะมีอิอะมะอุเสียงจะสั้นกว่ามาฮจะมีเสียงที่แบบว่าคำเชื่อมนะคะเป็นคำเชื่อมเป็นคำสมาธิเรียนสมาธนะเป็นเป็นลักษณะของการสมาธนะคะ ก็ต้องบอกว่าพระเจ้าวิกรมาทิตย์เป็นกษัตริย์ราชวงศ์ครุฑะน ะ, ะในช่วงศตรวรรษที่5ต่อกับศตรวรรษที่6เก่าแก่มากถ้าจะพูดของอเรียกว่าคอจีนทั้งหลายแลนี่ก็คือยุคชุนชิวะนะคะก็เป็นช่วงอรารยธรรมของจีนอินเดียเนี่ยได้ถือกำเนิดแล้วนะคะทีนี้การรวบรวมเรียกว่าปรํัมปรา คือจะเรียกว่าตำนานพงศาวดารหรืออะไรก็ได้ถ้าเปรียบเทียบกับของจีนนะแต่ว่าสรุปแล้วเป็นคติธรรมนะเป็นคติธรรมอันหนึ่งนะคะก็เรียกว่ามีมีความเก่าแก่มากเลยนะแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วประเทศอินเดียครับ<ะ>ก็มีฉบับต่างๆทีคัดลอกกันมานะคะก็เรียกว่าพวกเราก็ต้องถือว่าได้ ท่านอาจารย์ศักดิ์ศรีเยีมนาฏดาเนี่ยเป็นผู้แปลนะคะซึ่งท่านอาจารย์ศักดิ์ศรีเยี่ยมนาฏดาเนี่ยเป็น อ, อ, อาจารย์ปัจจุบันนี้ยังเป็นผู้ชํานาญการและอาจารย์พิเศษของคณะอักษศราศาสตร์อยู่นะคะ ค, คือตอนสมัยที่แอนเล น, นเรียนกับท่านโดยตรงแล้วก็ถือว่าโชคดีรูปภาพที่นํา ม, มาติดนะคะในหนังสือวิกรมมจจริตนั้นเป็นรูปหน้าตาเดียวกันกับในสมัยที่สอนและไม่ทราบปัจจุบันนี้อาจารย์ ท่านหนาางุงจะเปลี่ยนแปลงเพราท่านเกิดเมื่อปีพศ2473ครับนะคะก็เป็นศิตเก่ากราุงเทพคริสเตียนนะคะแล้วก็จบคณะจ บ, จ, บจากคณะอัสสศาตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยะนะค ะ, ะเป็นทั้งรุ่นพี่แล้วเป็นทั้งอาจารย์ด้วยก็ไปอันว่าก็ได้ได้กล่าวถึงอาจารย์ด้วยความเคารพนะคะก็อะไรที่ได้ประโยชน์นะคือท่านผู้ฟังที่ได้ประโยชน์จาก ที่หยิบยกมาวิกรมัจริกนี่นะก็ขอให้ผลบุญอันนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นกับอาจารย์ของแอนนะคะท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนแล้วก็แปลหนังสือดีๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้เรื่องราวของท้าวิกรมาทิตย์แห่งกรุงอุชยินีเนี่ยนะคะหลายท่านเนี่ยถ้าเป็นเรียกว่าคอนักอ่านก็จะรู้จักท้าวิกรมาทิตนะคะใน เรื่องนิทานเวตาลบางคนคสมัยเรียนอาจจะจำชื่อได้ว่าวิกรมมาทิตค่ะจริงจริงแล้วอ่านวิกรมมาทิศค่ะคือวเอิเรียกว่าท้าวิกรมมาทิตเนี่ยนะคะคือท่านอาจารย์ศักศีเนี่ยได้ขึ้นต้นหน้าแรกว่าข้าขอพรว่าตราบใดก็ตามที่ชนทั้งหลายยังเล่าขานเรื่องราวของพระเจ้าวิกรมมาลกะรยอยู่ย ในภาษาสันสกฤตนะคะครตราบนั้นขอให้อานิสงฆ์จงบังเกิดแก่ผู้ฟังโดยถือว่าเป็นบุญญาดิเลกผู้ใดได้ฟังก็จะลุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงเอเจติยศล่าผลนานนานประกา ร, รมีอํานาจมีความยิ่งใหญ่มีความเก่งกล้าและสิ่งอันดีงามต่างๆเป็นทวีตรีคูณคขอให้เรื่องที่เล่าขานนี้เป็นอมตะและยังยืนบนพื้นพิภพนี้ไม่รู้วันสิ้นสุดครับ จะเกิดประโยชน์แก่ <ใน S 2> ผู้ฟังยิง่งไวได้แก่ผู้ฟังด้วยนะค ะ, ะก็ต้องเล่าย้อนคือในนิยายสันสกฤตทีกรรมจลิตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยุค ห, หลังจากยุคสมัยของท้าวพิกรณมาทิต<ะ>นะคะคือเรียกว่าเราอ้างถึงก่อนว่าเริ่มต้นเนี่ยในสมัยที่ท้าวพิกรณมาทิตเนี่ยแห่งกรุงอุเชยนินีเนี่ยนะคะทรงครอบครองชมพูทวีปอันมีมหาสมุทรทั้ง7จดันเขตแดน องทรงมีพระเกียรติบรรลือในสามโลกว่าเป็นยอดกษัตริย์แล้วก็เป็นราชาธิปดีที่มีความฉลาดมีคุณธรรมยอดยิ่งหาผู้ใดเสมอไม่ได้วันหนึ่งบนสวรรค์ชันดาวดึงภาษาสันสกฤตเรียกว่าตรายะตรึงพระอินทผู้เป็นจอมเทพพระอินในที่นี้นี่จะเป็นพระอินของรกัรในพุทธศาสนาของเราครับนะคะพระอินท์จอมเทพมีความทุกข์ร้อนรนในพระไทยเพราะได้ทราบข่าวว่าพระมหาฤาษีวิสมามิตร มีตะบะอันแรงก็ใครที่เป็นคอหนังอินเดียนะคะดูหนังจะรู้จักฤษีวิศวามิตรวิศวามิตรเนี่ยเป็นภาคหนึ่งของนาลายอวตานนะคะแตเป็นคนดุมีตะบะเก่งนะคะเรียกว่าปราบมานแต่ก็มีโทษยังมีโทษะอยู่แล้วก็เคยทําให้บรรลังของพระอินทร์สสเสด็จเทถีนมาแล้วด้วยครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยพระองค์ก็ส่งหนังอักษรชื่อเมนากาเนี่ยไปก่อกวนจนตะบะชานบําเพ็ญ ของฤาษีผู้นี้มาสองพันปีเนี่ยก็หมดไปช่วงหนึ่งในบมรนาการนี้นะคะก็ถ้าดูในประวัติของพระศิวะเนี่ยจะมี ดูหนัอินเดียนะคะแองก็ดูมาแล้วหกตอนนะอาจารย์ <c oughs> เรียกว่าอาจารย์ศักดิ์ศรีคะดูหมดเลยคะ่ะและ ท, ท, ที่อาจารย์ได้เคยสอนมานี่นะคะมาดูใน62ตอนแล้วก็ไปดูกําเนิดทุกกําเนิดที่มีมาห้าสตอนดูหมดนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกชานกว่าตอนเรียนเองนะคะเมื่ออายุห้าสิแล้วตอนเรียนไม่ค่อยแตกชานเท่าไหร่ตอนนี้มีเวลาอ่าน <c oughs> เวลาดูะะทีนี้คือเรียกว่าความที่ในส่วนลึกของมหาฤศีวิศวามิตรเนี่ย เป็นผู้ที่รักในตบะในการบำเพ็ญสมาธินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก่อกวนเนี่ยถึงจะก่อกวนไปได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยก็ไม่สำเร็จละ่ะแถมแถมนางเมอากาถูกสาปอีกด้วยพระมุนี้ก็มุ่งมานะบำเพ็ญตบะอีกครั้งหนึ่งแถมลั่นวาจาว่าแม้มิได้บรรลุฐานะแห่งพรหมฤษีอันสูงสุดสมเจตนาแล้วก็จะขอตายละ่ะนะคะคือ ตอนนั้นในสมัยนั้นนก็ก็บอกว่าตเป็ น, ปนบาเพ็ญตบะนได้ถึงขั้นเนว่ญญาสัญญานั้สัญญาญาญาญาตนาชาญที่พูดไปในตรีภูมิพร่วงเนี่ยพรมฤษีเนี่ยต้องการจะถึงขนาดนั้นนะคะแล้วตะบะนั้นจะต้องแกระแกะ่กล้าครับทีนี้พระอินทร์ก็กลัวสิกะะารตบะของฤษีเนี่ยแบบออสารเป็นสารพูดอะไรก็เป็นคํานั้นแหละพระวิสมารที่มิดข่าวที่คงไม่ลาวเว้นเราแน่แนเพราะสมเมนากาไปก็พระองค์ต้อง ไม่แน่คือเรียกว่าฤาษีวิสมามิตเนี่ยจะต้องเกง่งกล้าที่สุดในสวรรค์อาจจะแย่งตําแหน่งต่อไปก็ได้นะคะก็อย่าลืมว่าชกามาประจรนเนี่ยมีความโลภหลงในยศจากตําแหน่งกันอยู่นะคะพระอินทร์ก็กลัวจะถูกอปเปเหิมาจากสวรรค์มาแก้แค้นเออจะทํำยังไงดีนะจะส่งกายไปทำลายอีกครั้งนะก็มันก็ยากเพราะเมนากาก็หมดสมัยไปแล้วนะคะคือ ก็พวกง่ายๆความงานก็คงจะไม่ทำํำพระมุนีองค์นี้ได้่ ย, ยดีอกีกต้องพึ่งลำพาหรืออุราวาสีคือตอนนั้นแอนเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงมหาพรตายุทธ์นะคะซึ่งเป็นตอนที่อรชุนเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมพระอินนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้หน้าตัดสินจากอุราวสีนางอุรวสีอ่ะแล้วอุราวสีเนี่ยสวยที่สุดนะคะแล้วก็ล่ําสวยที่สุดก็มาหลงรักอรชนุนอรชุนเนี่ย แมเมียก็เยอะอยู่แล้ว<ฮ>ะนะคะก็ยังยุ่งยากแถมจะต้องเลยถูกไล่มาอยู่ ป, ป่าสิบสามปีก็เลยปฏิเสธไปก็ถูกอุลละวสีเนี่ยสาบเป็นจะเทยท่านคุณจะจําได้นะคะอุลละวสีคนเดียวกันนี้แหละค่ะถือเป็นยอดอับสอเลอลบจบสวรรค์แต่ว่าสองคนเนี้ท่องงามเท่ากาันลำพากับอุลละวสีเนี่ยความสามารถก็พอกันจริตมา ร, รยาก็ไม่ยิ่งหย่อนอเอจะเอาใครไปทํางานดี กกเทวะลาหรือพระอินก็ให้เทพเซวะกะผู้หนึ่งไปตามนางอับสอนทั้งสองคนเนี่ยมาเฝ้าแล้วก็บอกว่าเออถ้าทั้งสองนี่นะตางก็มีฝีมือในการขับร้ฟ้อนลำเป็นเลิศก็กำลังคิดดูว่าจะส่งใครไปดีไปทำลายตะบะชาญของพระวิสวามิตรงานนี้ต้องอาศัยฝีมืออันเป็นเอกแต่ผู้เดียวในสวรรค์เอาเถอะไม่ว่าใครก็ตามที่ชนะการแข่งขันก็จะเป็นผู้เหมาะสมัน ง, งานนี้ รเรื่องนี้ทันผู้ฟังนะเด็กๆต้องฟังให้ดีนะคะมีข้อคิดก็คือประกวดประคันกันนั่นล่ละอับซอนลาพาก็เอาละไม่เป็นไรเขาขอลาก่อนนะคะก็ให้ทอดพระเนตรกล่าวจบก็พลิ้วกายออกสู่เวทีไล่าลาขับล่องนีลานอ่อนช้อยงดงาม ค, ค, คือทุกคนก็อาปากค้างมองดูด้วยความงวยงงในสไตล์อินเดียหลวยแลแบบสวยเ<ว>หลือนช่างวิเศษเป็นยอดศิลป์แท้เลย ชาวศาสนาอก็ผันพระพักมาทางเทพประสานที่งามที่สุดเอาวละถึงตาเจ้าล ะ, ละอุรวศีอุระศีก็ออกมาลีลาด้วยเวทีลักษณะาการดังนางหงเหินรีดกายาย่าเยื่อได้ท่วงทํานองพลิ้วพลายดังใบพึกษาดังกระแสลมอ่อนต้องกระแสลมอ่อนแล้วก็เลีวขึ้นไปได้เรื่อยทุกคนเหรอคราวนยิ่งเบิกพเนตรอ้าปากค้างหนักกว่าเก่าอีกอก็บอกโอ้โหเป็นยอดศิลปินอีกเหมือนกันครับทุกองคตัดสินใจไม่ได้ นะคะว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะเพราะว่าเสียงตบมือเนี่ยปรบมือเนี่ยเท่ากันนะคะถ้าถ้ามีลูกโป่งในโลกคงจะได้เท่าปักก็เท่ากันนะฮะเพราะอินบนสวรรค์ไม่มีลูกโป่งแม่ตบมือไม่มีเส้นด้วยสมัยนี้มีเส้นฤาษีนาลันารัที่ทุกท่านรู้จักน้าลายนาลายนั่นแหละค่ะก็จริงๆแล้วฤาษีเนี่ยเป็นครูฤาษีนะคะก็เก่งทางคีตศิล์นอีกเหมือนกัน ก็มองดูก็เอ๋ถ้าจะทุนจะตัดสินใจยากก็บอกเอางี้ล้กันก็กราบทูลพระอินทร์ว่าคนที่จะตัดสินการแข่งขันนี้ได้ต้องเป็นผู้แจ้งเจนจบในศินละปะแห่งดนตรีและหน้ า, ายะเป็นเลิศในโลกแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเป็นธรรมอย่างด้วยอย่างยิ่งยวดจะมีอยู่องค์เดียวคือพระราชาวิกรสมาธิแห่งกรุงอุชฉยนีเท่านั้นอืให้ขึ้นมาตัดสินก็แล้วกันต้องไปเชิญท่านมาพระอินทร์เห็นดีด้วยก็เรียกมาตาลีเทพสารธีเข้ามาเฝ้า ก็จัดรถสวรสด์ลงไปทับรับทันทีเนรียกว่าราชรถมาเกยนี่แหละค่ะมาสำนวนนี่แหละครับมาตาลีก็ขับรถแก้วแววฟ้าลงมายังนครอุชยินีทูลเทวบัญชาให้จอมกษัตริย์ท้าวพิกรณมัทติแจ้งดังนั้นก็รีบเสด็จขึ้นรถพร้อมกับมาตาลีพร้อมด้วยเวตานอันเป็นเซวะกะเซวกะนี่ก็หมายถึงอมาตะผู้ใกล้ชิดคือเวตาลเนี่ยนะคะถ้าทุกท่านเนี่ย เคยฟังนิทานเวตาลมาก่อนนะจะรู้ว่าเวตาลเนี่ยเป็นอ่าเป็นก็ต้องบอกว่าเวตาลนี่จัดเป็นปีศาจ ท, ที่ชั่วร้ายที่หากินอยู่ในสุสานและสิงสู่อยู่กับศพนะคะแล้วก็เคยสิงอยู่กับศพอันหนึ่งที่ผูกติดกับต้นไม้ซึ่งฤาษีผู้หนึ่งเนี่ยนะคะคือมีนามว่าสารติศิเนี่ยได้ขอให้วิกรมารทิศเนี่ยได้ช่วยให้ฤาษีผู้นี้บำเพ็ญตบะได้สําเร็จต้องเอาเวตาลมา ซึ่งเวตาลก็มีข้อแม้ว่าระหว่างที่เอาตัวเข้ามาเนี่ยต้องไม่พูดอะไรถ้าพูดเขาจะลอยไปติดอยู่ต้นไม้คเนี่ยเวตาลก็เล่านิทานให้ฟังเนี่ยก็หลอกให้ให้พรท้าวิกรมรรมทิศเนี่ยพูดจนเราได้นิทานเวตาลมา25เรื่องซึ่งก็ท่านอาจารย์ศักดิ์ศรีย่านดาก็ได้เขียนเรื่องอีกเชันกัะซึ่งก็เป็นเล่มเลยล่ะทุกท่านก็คงจะหาอ่านได้นะคะว่าควรจะือชื่อเวตาลปัญจวิงสติ ควรจะมีไว้อ่านะะที่บ้านนะครับทีนี้เวตาลเนี่ยหลังจากที่ท้าวพิกรณมาทิศได้ช่วยหรือหรือสีสารติสีเนี่ยเป็นผลสําเร็จเวตาลก็เลยมาอยู่กับท้าวพิกรณมาธิศเป็นเสวะกะก็คือคอมมาท์นะคะก็ไปด้วยกันเมื่อมาถึงนครอ ม, มาราวดีก็คือนครไม่มีวันตา <ฮะ S 2> ของไปอมิ น, นะครับนะคะก็รจริงกรุงเทพเราก็ทวารวดี<ฮ>ะนะคะแล้วก็เป็นเมืองของเทพด้วยกรุงเทพ นะคะก็ะที่ของพระอินทร์เนี่ยเรายังมีประตูน้ำพ ร, ระอินทร์เลยนะที่ทพะระอินทร์อยู่เนี่ยนะคะก็เนี่ยชอบร้องนาำทาเพลงะนะคะต้องมีเฮริอปะก็ะะแหมพระอินทร์ก็ดีใจเชิญกษัตริย์นั่งเกียงข้างพระองค์เลยแล้วก็ให้เริ่มการแสดงอีกครั้งหนึ่งก็ให้ลำพาแสดงก่อนนะคะท้าววิกรมาทิตย์ก็ทอดพระเนตรสนใจก็ไม่ได้ตัดอะไร จนกระทั่งลำพาแสดงจบแล้วก็ไม่ไปรบมือด้วยนะคะเพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่อุรวาสีแสดงหน้าตาลีลาจบลงท้าววิกรธรรมทิศก็ปรบประหัต ด, ด้วยความชื่นชมจอมเทสะถามว่าท่านปรบประหัตให้แสดงว่าอุรวาสีชนะใช่ไห ม, มนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะคะถูกแล้วอุรวสีเนี่ยเป็นยอดศิลปินโดยแท้ไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นบอเทวดายังดูไม่ออกเลยะท้าวิกรธรรมทิศเนี่ยดูออกอยังไงอืม ท้าวิกรมรรทิติเนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิคระคจะยุบปุ่นมีสมาธิที่มีความละเอียดกาคำตอบอันนี้เป็นข้อคิดสําหรับทุกคนคนะคะเท้ทาวิกรมรรทิติตอบว่าเพราะนางไล่ลําด้วยองค์คาพยพทุกส่วนของร่างกายไม่ใช่แต่เพียงบางส่วนการประสมกลมกลืนทั้งท่าลำและเสียงดนตรีประสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะที่สุดนางเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงวิทยาการอันลึกซึ้ง ในคำภีหน้าตยศาสตร์การไล่ลำของนางจึงงามสุดซึ้งต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบหาที่ติไม่ได้ด้วยเหตุนี้หม่อมฉันจึงให้นางผู้ชนะพระราชาพิกรมาทิตูนตอบด้วยความมั่นใจ ค, คุณชโยค่ะคือใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรู้จริงแล้วจะต้องเป็นทุกอนูด้วย อ, อย่างนางละวัสุจีเนี่ยไล่ลำด้วยองค์คาะยพทุกส่วนของร่างกายคนเราทุกคนเนี่ อาชีพไล่ถึงความเจริญเนี่ยมันต้องพร้อมกายวาจาใจทุกอนูวความคิดทุกทส่วนต้องถึงพร้อมทั้งหมดและเข้าถึงในสิ่งที่เราจะทําตรงนั้นต้องมีทั้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่คือาศาสนาพุทธเราครับใจต้องรักนะคะต้องมีความเพียรในการฝึกฝนนะคะใส่ใจด้วยปัญญาวิมังสาใกล้ครวนนางผู้นี้เนี่ยคงถึงพร้อมเพราะว่าคําตอบคือไล่ลาได้องค์าปรพยพทุกส่วนของร่างกายนี่เป็นศิลปะศิลปินไปหมด นะคะแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งพระอินทร์ได้ฟังเนี่ยโอ้โพระอินทร์นี่เข้าถึงเลยค่ะก็เบิกอาพร อ, อันเป็นทิพย์และของต่างๆอันดีเลิศมาประทานแก่ท้าวิกรละมาทิตย์เป็นรางวัลยิ่งกว่านั้นยังได้ประทานแท่นทิพย์อันงามวิจิตรประดับรัตนมาเรัตนามณีอันมีค่าครประเสริฐแกเท้าเธออีกด้วยเท้าวิกรละมาทิตย์เราให้รัตนบัญยมนี้แก่เธอเพราะเธอเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความละเอียด อันยอดยิ่งแท่นนี้ได้ชื่อว่าสิงหาสนะทวาตริงสติกาสิงหาสนะเพราะประกอบด้วยศีรษะตุกตา32หัวเป็นบันไดผู้ที่จะขึ้นบันลังนี้จะต้องเหยียบศีรษะของตุกตาขึ้นไปจนถึงอาสนะเบื้องบนหัวของตุกตาแต่ละหัวก็จะแทนคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเราคิดว่าเธอเป็นผู้มีคุณธรรมครบ32ออย่างอยู่แล้วเธอเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่คู่ควรสำหรับแท่นนี้ นี่เป็นปริศนาธรรมนะคะคนเรามีกระองค์คาพยุติสาอย่างก็ควรจะมีธรรมทั้งส2ส่วนของร่างกายเหมือนกับที่นางอุระวสีเนี่ยได้รายล้ำด้วยองค์คาพยพทุกส่วนของร่างกายความดีของบุคคลก็ต้องถึงพร้อมอย่างละเอียดเช่นเดียวกันครับพระราชาทรงนำแท่นทิพย์ลงมาไว้ในห้องพระโลงในท้องพระโลงกรุงอุชยินีเมื่อได้สุพเลิดดิตีและบรรณาพรามกล่าว คาถาสะดุดีถวายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่รัตนบัลลังก์ประทับว่าราชการด้วยความที่งธรรมตลอดมาจนสิ้นพระชนมายุเมื่อสิ้นท้าวิกรธ์รมทิยแล้วในการต่อมานครอุชยินีก็ร่วงโรยลงกลายเป็นเมืองล้างเวลาผ่านพ้นไปนับพันปีเมืองนี้ก็จมหายไปในแผ่นดินไม่มีใครได้พบเห็นอีกนี่เป็นที่มาของนิยาย ต่อไนี้ที่จะเล่าให้ฟังที่เรียกว่าวิกรมัจจริตหรือสิงหาสนะทวาตรตุงสติกา<ม> เ, ป เ, ปเป็นเรียกว่าต้นกําเหนือของแยายเรื่องนี้ก็คือสืบนเนื่อ ง, อ ง, องมาจากเรงทาวิกรณมัจจริตก็คือมาจากวิกรณมัจจริตในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นค่ะครับก็แม้กระทั่งการเริ่มต้นเนี่ยก็สอนเรานะคะสองพ่อหนึ่งจะทําอะไรเนี่ยทำด้จิตด้วยใจ นะคะทำด้วยความลึกซึ้งทำด้วยความรู้จริงนะคะสองจะปฏิบัติทําความดีทั้งหลายแหลก็จะต้องประดัดมาปฏิบัติคือเรียกว่าในส่วนของร่างกายเราทุกส่วนเลยเนี่ยจะต้องมีความดีแฝงอยู่ทุกอนูทุกความคิดทุกการกระทําทุกทุกวาจาทุกคําพูดทุกคํา ถึงจะเรียกว่าดีจริงมันท้าวิกรมาทิตดีนอกดีในดีมาจากส่วนลึกของจิตใจค่ะดังนั้นท้าวิกรมาทิตเนี่ยจึงได้รับการยกย่องต้องบอกว่าอินเดียนี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกนะคะจึงได้มีคํากล่าวว่าหากว่าใครได้กล่าวถึงเรื่องราวหรือแม้กระทั่งสืบเนื่องมาจากท้าวิกรมาทิต์นี่แหละก็ให้อานิสงส์จงบังเกิดแก่ผู้ฟังโดยถือว่าเป็นบุญญาดีเลย พระวิกรมาทิติเนี่ยถ้าจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดด้วยสายตาละ e ir, เอียดพระองค์ท่านก็จะต้องเป็นคนละเอียดถูกไหมคะคนหยากจึงจะมองคนหยาบคนละเอียดจึงจะมองคนละเ e อียดท่านได้มองถึง เ, เรียกว่าตัดสินชัยชนะได้อย่างละเอียดลึกซึ้งในเทวดาก็ยังยอมรับเนี่ยเพราะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันละเอียดลึกซึ้งจริงๆดังนั้นผู้ใดได้ฟังเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากวิกรมาทิติหรือวิกรมจริต ก็จะรุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงกิติยศลาบผลนานานประการมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีความเกรงกล้าและสิ่งอันดีงามต่างๆเป็นทวีตรีคูนไม่มใช่ทวีเป็นนั่นนะคะต้องตรีคูณด้วยและเรื่องราวที่เล่าก็จะเป็นอมะตะนี่แหละค่ะเป็นการเกลื่ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าฟังน่าอ่าน น, าน่าติดตามน่าติดตามและเป็นข้อคิดอย่างดีเยี่ยมในการดำเนินชีวิตอย่างค า, ารวะของเราครับ